เรื่องบานประตูคนทั้งหลายได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตวิหารจึงพากันสร้างวิหารอย่างกระตือรือรน้นวิหารเหล่านั้นไม่มีบานประตูงูบ้างแมงป่องบ้างตะขาบบ้างจึงเข้าไปได้